กีค่คนนะ่ะข้างหลังมีอีกไหมไมไ่คิดว่ายุพอสุดท้ายเหร อ, หอม่เข้ามาทั้งนี้ได้ยินไหมล่ะคิวไก่ไม่ได้ยินนะเ อ, อได้ยินเจ้าค่ะเวลาไปดูนักล่องนักดนตรีแบบแยกกันเข้าข้างหน้าไม่ใช่ตัวคิวเลยมานั่งข้างหน้าอืมเอาคำโบราณ ใครไปก่อนไปนั่งข้างหน้าใครไปชาไปนั่งที่หลัง <Okay. S 1> ส่วนมากปกติคนไปวัดนั่งอยู่นูน้น <laughs> คนมาที่หลังก็มาไม่ได้ถอยออกไปถอยออกไปทางหน้าก็ไม่มี <laughs> นั่น ท, ที่จะไปเห็นพระเวลา <laughs> ไปแย่งดารานักร้องนักมืใกล้่คิดเท่าไหร่ก็ไปว่า <laughs> <laughs> เสียเงินอีกที่ด้วย ถ้าได้จับมือเขาก็ดีใจเท <c oughs> ่าไรก็ไม่ว่านะทําพวงมาลัยเงินใบร้อยหนะ่อยิ่งได้ปีไม่ไดีก็ได้จับหลายอย่างแต่พระผ้าพระก็ไม่จับนะถ้าคนไม่ตายจับว่าได้ดิแต่คนตายจับก็ได้ใ <c oughs> ส, ส่สิ่งใดอยู่ <c oughs> นะย่างร้อยชุดก็ได้พังสกุลได้พ้าพังสกุลนะั <c oughs> นะ่นจับมีได้จับได้คือจับ บางตะกูลจับยังเงินจับไม่ได้เราไม่เอาอยัางเงินนะอยากให้เข้าใจาาพิ ธ, ธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไปวัดไปทําบุญไปวัดไปทําบุญไม่อยากให้คุยกันคนในศาลาแล้วถ้าเข้าภายในวัดอ ด, อดไม่ได้เข้าในศาลากระชั้นเข้ามาอีกอถึงจะไปถึงวัดส่วนมากพระก็ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยจําว่าไปทําบุญคืออะไรบุญอาหาร ใจเห็นไหมเมื่อกี้ทําบุญกะข้าวหน้าพจนอาหารอาหารกายทานไปวัดไปเลยทําบุญทําทานทําบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรนะทำทานถ้าทําเป็นได้บุญทําไม่เป็นได้บาสเห็นไหมล่ะที่ตามจับพระอยู่เพราะอะไรเพราะพระบอกเขาปัจจัยมัทธิวไหลผ่านหลายๆนุ่มหรือภาษาชาวบ้านเอื้องมา้หลายๆนุ่มเป็นดีก็ได้บุญ ออกมาเราไม่รู้เขาบัญชีที่ไหนหรอกเลยไม่ไดตามจับเงินถอนวัดวัดนั่นวัดใหญ่เท่าไดก็ยิ่งพวกเจ้าหน้าที่หาวิธีเอากระตูปปัจจัยไปช่วยเหลือวัดนนวัดนี้เอาไปเดาวัดนั้นไม่สร้างอะไรไม่สร้างอะไรเราไปเราไม่เอาเขาบัญีสร้างวัดไปทําอะไรก็ไม่รู้นะบนสุดท้ายนั่นแหละทานไม่เป็นก็ได้บาปทั้งคนให้ได้บาปทั้งคนรับ จับทังพระจับทั้งคนเอาอจัตุปัจจัยของประเทศชาติของหลวงไปจ่ายให้พระถือว่าอะไรล่ะเงินทอนวัดนะเพราะไม่ไม่มีขาดาเดียวคือขาดทําบุญนะสมาธิศีลสมาธิปัญญานั่นพุจทจะมีความรอบรูปถูกต้องถูกใจก็คือตัวปัญญาถูกต้องถูกต้องตามคําสอนของพระเจ้าถูกใจเอาตามเจริญนั่นแหะ คนตัวไม้คนทูบคนเตียนไปจุดในวัดในว่านั่นถูกใจพระประธานดีๆแล้วก็เอาผ้าอังส่าไปคล้องให้อีกบางวัดก็พวกรวนเมลาไปคล้องแล้วทุกวันแต่งตัวของเรายังไม่เล่าไปแต่งรูปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ทรงของพระพุทธเจ้ามีคบบริบุรณ์แล้วเหมือนพระสงฆ์ห่มผ้าแล้วเอาผ้าอังส่าข้างในออกมาใส่ข้างนอกแต่ว่าจะไม่ว่าพระเป็นประสาทหรือ ฉัเหมือ น, นกันพอเชื่อท่านในมาหนุมข้างหนุนข้างนอกแต่ว่ายังไงอีกละ่ะที่นี่ลูกของผู้เจ้านั่นะเขาพาตมาเขาพาตมาจะเชื่อทําไมเขาเนจะร้านค่าตากะรวยหึวงพ่อไปหลายแห่งแล้วบอกถ้าเป็นใหญ่ผู้เจ้าอาวาสเนาะเอ า, านะเอาอกยุ่งเขา ม, มาาีคาถาเขาอะไรมาจะเอาหมดเหรอหลวงปู่ใหญ่นะปูดจนถึงใจ โอเคไม่กินกะจะเอ า, ไ ม, เอเอาไม่ถูกตามก็บอกเขาเจ๊ก็พระไม่รู้พล้วกที่เจ้าสอนในพระสงฆ์ทำตามคําสอนของพระเจ้าได้เห็นไดน้รู้จึงมาสอนผู้อื่นฝึกตนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นสอนตนให้ดูให้รู้เห็นเอาจึงสอนผู้อื่นนี่ตนเองก็ไม่รู้เลยว่าบุญเป็นยังไงโยมโยวมาอะไรสบา ย, าายาจัๆๆยกรพรรดเดียวกันจุดจุดเทียนสบายจักรพรรดิตรวน้ำโยมต้องไปดูสิบวัด นี่แต่พูดจากมั่นแหละจะบอกทำบุญมีแต่ว่าน้อยที่ถุกนะบุญอาหารใจยันใจของเราตายไม่เป็นสวดเมื่อกี้เข้าใจไหมหรือว่าสวดตักคำยันในหนังสือบอกจอดมหาใจเราเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายทั้งขาท่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายแต่เราไม่จอดมหาเราเราก็เพ่งไปแต่ในหนังสือ อาการ 3.2 ผมมีเล็บฟันหนังอาหารใหม่อาหารเกา่าน้ำมูดน้ำคูดถึง 3.2 จางสู่รูแล้วกายของเรามีอย่างนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล้ต้องเพ่งกุมันมันไม่มีของสะอาดสิเราก็อยากสะอาดอยากสะอาดมันเกิดความรักเราสะอาดหั้งจากเกิดงานหาปุงหาแตงในเจลีบมันคุกในหัวใจก็เพราะเราขาดการทาบุญไม่มีปัญญา ผมปรับรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญานั่นไปท่องเอได้เขียนนั่นใจปิดดกของพระพุทธเจ้านะไปท่องเอ า, าอ เ, านะ ท, อเอาท่าไรได้หมดสอนให้นกแก้มก็ทําได้มันก็พูดได้แต่มันทําได้ไหมปากเป็นทําหัวใจเป็นงักนั่นแปลว่าพูดได้แต่ว่าทําบ่ได้พูดได้ต้องทําได้สิว่าเม่อกูบาอาจารย์พาทาตามคําสอนของพระเจ้าเข้าป่ า, ข า, ขาเข้าลงทนทุกตนมานั่งก็เอาเหมือนต่อพระเจ้า เป็นเป็นตายตา ย, ตายอยู่นั่นยึงไปสอนด้านโดมฝึกต้นได้ได้ยังฝึกผู้อื่นนีตนเองยังไม่ฝึกไปฝึกผู้อื่นไปสอนผู้อื่นไปสอนได้สอนคนอื่นแต่สอนตนสอนจา่านัน่เพราะฉะนั้นทําไงล่ะตนเตือน ต, อ น, ต, อ น, ตอนไม่ได้ใครเราจะเตือนจะให้พระไปเตือนพัะไปบอ ก, กก็บอกดูแต่มาได้ต้องตนตัวเราสอนเราเองมีสัจจะวันนี้เราเข้าวัดแล้วฉันจะไม่พูดจะคํา ยกเว้นจะพูดกับพระแต่คำสองคำจะพูดกับญาติโยมมีแต่เรื่องของโลกโลกทั้งนั้นในอยัางมาใส่บาตรในอย่งของดีของแทบบอได้น้อยได้หลายไประเด็นคนนั้นได้น้อยคนนี้ได้หลายอยู่้านร่มกันของในจะนาออกของนอกยจะนําเขา้าเข้าใจบอของเข้ามาในวัดเราจะนําออกไปสิ่งของอะไรต่างๆอยู่ที่เมืองไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะ เอาออกบางแหงไปมินต์ตาบาดมากองเลยยังไม่ถวายพระไม่รู้ไปไหนจ่อยยอมแขกจะมาวันนี้เอาหอามอาหารก้นบาดอย่าเพิ่งเก็บไปไหนนะไปแขกโยมด้วยเวลาแขกมาเอาเริ่กันไปทานอาหารนะหลวงปู่พวกแกนขักขากับบ้า น, นกินเขาไปวันี้เรากินหลวงปู่ คนเพราจะจกว่าให้เทวังไร บ, บอกแล้วอย่าเอาของหนีแขกมาไม่ได้กินข้าวนั่นไม่เห็นไวมหรอขนมามากๆก็เป็นอยงนั้นหรอว่าท่นลวพ่อเจ้าจึงบัญญัติให้พระที่ตูสงรับอาหารแค่ยังมากที่สุดเกิมไม่เกินขอบปากบา ท, ทนี่จังมากดิยังม่พอยเยี่ยมเราปิดบาทกับวัดเลย เคยเตือนญาติโยมหูถ้าจะได้บุญเห็นอาหารในบาทพระพอฉันเราเนี่มันหลวงปู่กับวดัดว่เจะบว่าเป็นบาปตือหลวงปู่ได้บุญพระไม่ให้พระเกิดความโลภใช่ไหมของฮักพักเจษมีราคาแพงเท่าข้วมือกินเข้าไปสั่กินเล็กแบนดิแต่บุญมีสินทำ น้ำพักน้ำแต้งประกอบด้ยเห็นต้นเขาต้นน้าไถแล้วไถอีกดำแล้วดำอีกดำให้ดำหน้าผวเอ า, า, าไปไถในกองช่องกองช่อุกนตได้มันใส่บามันของง่ายๆบอลอานทาน้เาไฟกับฝนตกดิบไปเ็นงานทาอื่นก็ไ่ได้เ ข, ข, ข, ขาเขาจะบอกท่านพากใส่บาทไปควบไฝนฝนตกดิบจะรบยี่ปแ ป, ปะูบอลุกไงตัวมชุ่มเลยปั๊บื่ขึ้นมา ดีเพราะดีเ็ราะเหตุทในหลวงเพราะจะขอบ้านมาใครต้องการอะไรโยมเปิดไม้โยบุญใครต้องต้มต้องแกงต้มแปาต้มพริกหยั่งมากหยั่งหมากประกาศออกมาเตรียมใบเดาเหมือนที่บกมันเป็นสมัยจรวจไปแล้วแต่มันมีตันหนีได้บ้านผมอยู่มสุกเลยนะตะเกียงตะกายลงรุกคานแต่ไม่นี่ สุขที่สุดคือคนไม่มีนี่ทุกที่สุดคือคนมีนี่โบราณนะปัจจุบันนี้ทุกที่สุดคือยืมไม่ได้คือแกยืมมจากว่าจักรได้มาตั้งสตี้ลุงปูเขาทีมาเถือถามมีหรือเป็นมีเขาโวัชิักรลุงปูเขาให้ยืมได้ห้าร้อยล้านเด้อปีนี้กูว่ัชจักรจะได้มาจากไหนได้ มาใส่เขาไปมาเขาเอาจนไปตําเอานี้ไปจําเขาจยึดบ้านยึดท้องยึดไตที่นาที่ดินที่อะไรไม่มีแล้วเดินเข้าเขาน้องจำจำเข้าธนาคารย่ปีกี่ปีเขาจะยึดไปหมดแหละประกันฟุ่มเฟือยเพราะตาพูดแล้วขาดการทําบุญเข้าวัดไม่รู้ว่าทําบุญวัดนั้นไม่ใช่บ้านนั้นของไม่ดีอย่านําเข้าวัดเรื่องดีๆอย่านําไปคุยในวัดของในจะนําออกไปของนอกจะนําเข้ามา เรื่องหลอก่แกนนำเข้ามาวัดถ้าอยากพูดออกไปบ้านนั่นเป็นลกควรพระสงฆ์ที่จะได้บุญก็ได้บาปแล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ไปหลวงปู่ฉันจะไปจีงเงินไหนได้เนี่ยนะประกาศเดี๋หลวงปู่ไปเช่นนั่นเต้นเี้ยเอาเน่ยอ้เลูกหลานใหรไปโาไหนก็ไ่ปอไปเนี่ยหลวงปู่ให้ไปเช่นได้เงินบาอได้ลูกหลานสอบไปดีไหลวงปูป่วา เขาใส่ความจำมันก็ได้แล้วมันท้องบ่อยๆมันก็ได้แล้วยังไงเน้นหนักภาคปฏิบัติให้เน้นหนักภาคภาธรรมปุนนน่นพิธีกรรมของพระสงไม่ต้องไปสวดมากเราสวดของพระเจ้าสวดนี่อะไรนะให้นั่งเย๊ะๆถ้าจยากนั่งอดใจได้เป็นพระมันหิวจะเฝ้ากินแต่บปินเพิ่มอยากจะบอปากเพิพ่มเขียดภาษาอาีสานกําลังหิวจากพึ่งรับประทาจังโกรธจะพูด ภาษาหอสันมันถึกใจเด้จะพอปากคว้มเกลียดเห็นบมอเหจะพูดออกมาก็มัโกรธก้น้าพูดออกมามตีกันเด้ปปตีได้ดีเด้นั่นบัดตีตรงปากเพราะฉะนั้นเวลาหิวอยากรัประทานมันจะเกิดเจริกไมละ่ะฟองข่าหน่อยข่าแม่เห็นบมอเป็นในฐานมา ต, ต, ตัวตัวพวกอยู่ในจิตสัตว์ทุน ไปตงานมันหิวหิวหลายหิหลายแม่น่ามาแต่น้อแม่น่แม่ก็ยังงานหลายคนโา้งเรียงเป็ดงเรียงหมูหมูกห้องเป็ดกระห้องลูกเจ้าไปตงเรียงแตงขวนเลลูกเจ้าไปองเรียนดิูดลูกไปไถนา้นน่าแต่น้อาแต่แม่ก็ยังงนหลายักบเขาหบนุ้่นน่ะงคคได้ลูกนะกเขาจะ่ากเขานาเดี๋ยวตาแล้วก็หอบน้มาใส่แ่ mấy thì vượt bao vùng cứ tối mưa t h b a vì nhà cái c á b a tết đông hoa được i bao phát khẩu tân trận, c h ẳ n có đông phát khẩu, t ă n tầm t ă n tao t ă n sòng t ă n n h ắ m có gì để mà kinh mệt, cái c khẩu hết hoạt hết nừng hết bạt thì ô, chưa thấy chút gì đ ư ợ chẳng có khổ, hết một, hết một, hết một, hết Tôi, đông vừa đ ầ u còn nghe anh cậu nói bạt thâm kinh rồi đ k h mà. แต่ปุพุนเขาวาแรกเอาบาปดแต่เมื่อปุพุนเขาเป็นมีเขาแล้วภพนาสัตหนหนะเป็นกุ้ยตูแต่หน้าให้เขาเป็นจีขาเขาไดไปจานนีแต่ก้อนุกเมื่อนี่บ่กไ ม, ม่รอกตัวว่าน้ำเยวหมอกกระถางมันมืดเราละคนน้ำเว่ก้นขนดูไหลมันร้อนมืดเราละต่กอนจานทุมือนี่โอ้ยเ่ยะเพราะฉะนั้นให้เร่งภาคปฏิบัติเอาเกิดมา อยากมาสร้างบุญสร้างกุศลท่านอันใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นรถพรพศาสนาจากปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้แน่นหนักมานับถือพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไม่ใช่พรุทธศาสนาของพระเจ้าจะได้มาล้มลมๆแรงๆเลยทนทุกข์ทนมานหปีก็ได้สิ่งธรรมมาสอนสอนคนถ้าคนทําไม่ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเดี๋ยวเราถามเราเป็นคนไหมทําไมว่าจะทําไม่ได้ทําไม่ได้สิงงที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เขียงไปที่เสียงเกลียดแล้วไม่หาไม่หามาสอคนหาทําอะไรก็เจ้าเอาองได้เห็นสิ่งเด่นแต่ทำแก็จึงมาสอนออกตนยากจยกที่ทำได้ถ้าทําไม่ได้ไม่มีพระสงฆ์รอเครื่องอยู่ของพระสงฆ์วิหารธรรมไม่ใช่เียงหารโลกไม่โอกลมมั่งมีสีสุกร่ารวยสวยงามรอบชักรักกันดแบบโลกโลกนะวิหารธรรมมีทำเป็นเครื่องอยู่ของใจ ทำคืออะไรเบื่อนายร่ำรวยสวยงามไม่อยากร่ำรวยไม่อยากสวยงามนีม่ข้อใหญ่ๆนะจากลูกจุดนี้เอาสมาธิดูนั่นตัวปัญญาถ้ามีสมาธิปัญญาเกิดคือมีความรอบลกูกถูกต้องกับถูกใจมันต่างกันอาหารกายกับอาหารใจมันแตกต่างกันอาหารใจไม่ได้ซื้อดูลมเข้าลมออก ร่างสติดีดูลมใจช้ากำหนดดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมีกวาเกิดตรงไหนสุขถ้าหาจากดูลมออกมาลืนตาขึ้นเห็นของใจท่องจากใดจากรวยเห็นเขาสวยงามหาแตงตอให้มันงามนั่นคือเขาร้นบ่บวคนจีขากันปักกลมลด้วยกองกันปักทำด้วยกนในการปั หึงกันทะเลาะกันนะในตัวใหญ่ๆร่ำรวยกับสวยงามเป็นตัวนรกถ้านเราเคยดูบุญเสียชีวิตแล้วจะกรรมในเวรเขาจะไปควายนะหลังหลบสวนเมื่อกี้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ปฏิตามใจของคนคนนั่นไปเดีเราทําตามเขาพระเจ้าคือทําความดีคือทําบุญบุญเป็นที่พึ่งของใจ เจ้ากรรมในเวรกรรมตั้งใจว่าจะไปทําบุญดูบุญเห็นบุญไหมถ้าไม่มีคําตอบเขามาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกถ้าไม่เคยดูบุญไม่เคยเห็นบุญกับบ้านเดิมไม่รู้จัดทางไปสวรรค์แล้ถ้าเห็นบุญก็เห็นสวรรค์เห็นใจนั่นสวรรค์นในอกนรกในใจไม่ต้องไปขุดหาเราขุดหาที่ใจไม่ได้ซื้อลุมเข้าลุ้มออก ถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกนะจะให้เข้าใจแบบวัดพยายามให้มีความสงบมากที่สุดเป็นแนวทางต่างประเทศเข้ามาเห็นเขาก็เป็นตัวอย่างมิจะไปคุยกันต่างประเทศไทยโอ้ยวันวัดนุ่งกีเอียงงั้นเนี่ยยบุญก็สักก็ดินแตนั่นวันไหวอู่นอามแต่ได้กบฟังเพราฉนั้นอยากรู้จุดนี้ก็คือไปวัดทําบุญเข้าสมาธิเลยกราบไม่มา นั่นแลได้บูชาเไม่ต้องขนดอกไม้ทุกเทียนไปซื้อให้ลำบากเดินหนาบุญกุศลดอกตูนได้เจ้าร่วงรานได้สีสันได้เสียตลาดมาสมนุนไหวพระลายพระตาอานก็ดีเป็นบุญกุศลได้นั่งสมาธิภาวนาฟังพระวจาทำาคําสมสมของพระเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำแบบนี้บุญกุศลขอคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ในสิ ri, en ue, ches, ri, P, un, ่งศักษิ์สิทงหลายก็จงมารวมกันจงปก้องปกปักษ์รักาอุปสมบจงลุกหลัดจีพี่น้องจงมีแต่ความสุขก็จะเดินสุกกายสุกใจการเงินจีงใดการเงินจึงใดปัจจณาจึงนึงอะไรก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงผากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าและจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปิพานในปัจจุบันในชาตินี้เือ